พระเจ้าทรงเปเปรียบ เ, เทียบคนส่วนใหญ่หรือปุถุชนว่าเหมือนกับคนที่เป็นโรคผิวหนังโรคผิวหนังนี่ก็หมายถึงตั้งแต่โรคเรื้อนไปจนถึงโรคคิดโรคกลากเรื้อนก็คือว่าก็จะมีความทุกข์จาก อาการคันที่เกิดขึ้นเมื่อคันแล้วก็ทำยังไงก็ต้องอยากจะเกาพอเกาแล้วก็หายคันแต่ว่าก็ทำให้อยากเกามากขึ้นแล้วพอยิ่งเกาให้เนื้อมันก็หลุด เก่าจะเป็นแผลแต่ก็ยังไม่เลิกเก่าอันนี้ก็เป็นบุตุชนที่มีความสุขจากการพึ่งพากามหรือการมาสุขเมื่อได้เสพแล้วก็มีความมีความสุข แต่ว่าก็ทำให้อยากเสพมากขึ้นแล้วก็มีเป็นทุกข์ถ้าไม่ได้เสพแต่การเสพนั่นเองก็ทาให้เป็นทุกข์กับตัวเองก็คือว่ามันอยากไปิอยากอยากอยู่เรื่อยๆแต่ได้เสพแล้วก็ ถุกชั่ว้าวแล้วก็เกิดความทุกข์ใหม่ทุกข์ก็คือความอยากที่จะเสพมากขึ้นนี่ก็การเป็นการเปรียบเทียบที่ได้เห็นในชันหรลอว่าการมาสุขนั้นมันเป็นสุขที่เจอไปได้วยโทษเมื่อความสุขของคนที่ได้เกาเพราะเป็นโรคผิวหนังนะีจริงก็ไม่ไม่ต้องไป็โรคผิวหนังก็ได้นะเป เวลายุงกัดหรือว่า น, นแมลงบางชนิดกัดเช่นเห็บหรือว่าพวกหมัดกัดเนี่ยมันคันคันเสร็จแล้วเราก็อยากเกาอยากเกาเพื่อหายคันตอนแรกที่เกาก็มีความสุขบางทีก็เรียว่างมันแต่พอเกาเสร็จมันก็คันใหม่ ก็ไม่อยากเก่ามากขึ้นเก่าๆไปเกาๆไปก็อาการก็หนักขึ้นหนักขึ้นใหคนคนที่มีอาการอย่างนี้ก็อาจจะไม่รู้หรอกว่าเรือจะนึกไม่ถึงว่าเ อ, อให้ความสุขที่ไม่ต้องอาศัยการเก่านี่มันเป็นยังไงและมันดีกว่าหรือเปล่า คือความสุขคนที่ไม่เป็นลบผิวหนังเราก็นึกไม่ออกว่ามันมันจะสุขจริงหรือพอเขาเนิง่งถึงหรือว่ารับรู้แต่ความสุขที่เกิดจากการเก่านึกไม่ออกว่าไอ้ถ้าเป็นปกตินะไม่คันนี่มันจะมีความสุขได้อย่างไร น, นี่คงเหมือนคนจำนวนไม่น้อยที่เรียกว่ารู้จักแต่การมาสุบอย่างเดียวแล้วก็เพิดเพิลงไหลกับามาเวลาเวลานึกถึงนิพพานเขาก็ไม่รู้สึกว่ามันดีตรงไหนเวลาทำบุญชวนให้ เขานึกถึงนิพพานนี่เขาเขาไม่อยากจะนึกนะขอฉันขอกลับมาเกิดใหม่ดีกว่าหลายคนก็พูดแบบนี้นขอกลับมากลัวนิพพานนะไม่อยากนิพพานเพราะเขาคือว่ามันไม่ไม่เห็นจะน่าสนใจตรงไหนอันนี้ ค, คล้ายๆ ค, คนที่เป็นโรคผิวหนังก็ ก็ไม่นึกไม่ออกว่าไอ้ถ้าไม่ขันแล้วนี่หรือว่าถ้าโรคผิวหนังไม่เป็นนี่มันจะมีความสุขยังไงก็ฉันมีความสุขอยู่แล้วนี่จากการเก่าแต่เขาหมอไม่เห็นโทษว่ายิ่งการเก่าแล้วนนเนี่ยอันที่หนึ่งมันให้ให้ความสุขแค่ชั่วคราว แ, แล้วก็อยากเกาอยากอยากอยากเกาใหม่สุกชั่วคาเสแล้วก็คันคันอีกแล้วก็อยากเกาใหม่อันนี้สอนคือว่ายิ่งเกายิ่งเกามก็ยิ่งเป็นแผลก็ยิ่งลุกลามมากขึ้นให้การประสบเป็นอย่างนั้นเหมือนกันหรือตัวอย่างที่มันชัดเจน หน่อยคือพวกคนที่ติดบุหรี่ติดเหล้ามันก็มีความอยากพอได้สูบได้กินเหล้าก็สบายมีความสุขเสร็จแล้วก็ไม่นานก็อยากกินใหม่ก็ขนขวายไปหามากินไปหามาสู สูบเสร็กินเสร็จก็สบายบางคนนี่เมาก็ต้องถอนพอถอนแล้วก็สบายแต่แล้วก็ทําให้อยากอยากสูบอยากกินมากขึ้นคือยิ่งติดหนักขึ้นขณะเดียวกันยิ่งสูบยิ่งกินมันก็สุขภาพก็แย่ลงแย่ลงอันนี้เราทุกข์ทุกข์หรือว่าโทษสองชั้นชั้นหนึ่งเป็นเรื่องของความ เป็นเรื่องของความทุกข์ทางใจคือว่าสุขชั่วคราวสุขประเดี๋ยวเดียวแต่ว่ามีความทุกข์ที่ตามมาอันที่สองเป็นความเป็นความเป็นโทษทางกา ย, ยก็คือทำให้เจ็บป่วยมากขึ้นอันนี้เราโทษสอนชั้นจากการมาสุขที่คนส่วนใหญ่บริโภค จริงไม่ต้องคิดพูดถึงเหล้าหรือบุรหรี่แม้กระทั่งพวกเรื่องเซ็กเรื่องเพศหรือว่าเรื่องวัตถุเช่นอของอร่อยนะของหวานก็เหมือนกันนะพอกินที่ไร้หิวหิวพอกินไปแล้วก็พออิ่มแล้วก็เออมีความสุขไม่อยากกินแล้วแต่พอผ่านไปสักวันสองวันเอาอยากใหม่ ถ้พวนี้มันติดเหมือนกันนะอาหารบางหลายอย่างมันติดพวกไขมันเนี่ยกินแล้วก็ติดพวกของทอดนี่กินแล้วก็ติดมันก็อยากกินอีกจะกินมากๆเขาก็เป็นโทษนะโทษทางใจคือมันมีความสุขชั่วคราวอิ่มได้สักพักก็อยากใหม่พอพอพอเริ่มหิวแล้วหรือว่าพอรสชาติมัน รสชาติมันความสุขมันจางหายไปล้นนี้ก็อยากใหม่เกิดความทุกข์เข้ามาแทนที่แล้วก็พอเสร็จมากเข้ามาเข้าก็สุขภาพก็แย่ไขมันเยอะยิ่งไม่ออกกำลังกายยิ่งก็เป็นอันตรายมากขึ้นอันนี้ก็เป็นโทษที่คนมองไม่ค่อยเห็น แต่ถ้ามองเห็นนี่บางทีมันหลุดเหมือนกันนะมีฝรั่งคนหนึ่งนี่สูบบุหรี่วันลายี่สิบมวนสามสิบมวนแล้วก็เราก็ไม่เห็นว่ามันเสียหายยังไงแต่แล้ววันหนึ่งเกิดเกิดได้คิดขึ้นม า, าโอ้ไอ ที่เราสูบมากๆก็เพราะว่าไอ้ที่เราเห็นว่าไอ้ที่ไอการสูบเนี่ยมันก็เป็นเพียงแค่ระ ง, งับความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากการสูบครั้งก่อนๆแต่ขณะเดียวกันการสูบครั้งใหม่ก็ทําให้ติดมากขึ้นที่ทําให้อยากสูบต่อไปก็เห็นตรงนี้นี่เขาเลิกเลยนะหยุดทันทีเพราะว่าเห็นโทษแล้วว่าไอการสูบนี่มัน มันระ ง, งับความทุกข์ได้ชั่วคราวแต่ว่ามันไปสร้างความทุกข์ใหม่ให้เกิดขึ้นเลิกสูบ ท, ทันทีตั้งที่ตอนนั้นก็อยุมากแล้วก็เรียกว่าก็แปลกเหมือนกันว่าทำไมเพิ่งเห็นนะหลังนี้สูบมาได้สามสิบสี่สิบปีคือสูงแต่ยังเป็นวัยรุ่นเพิ่งเห็นแล้วว่าอาการสูบนี่มันมีโทษทำให้ติดมากขึ้น ในส่วนเรื่องโทษต่อร่างกายนี้คงจะคงจะเห็นแต่ว่ายังไม่ตันหนักอันนี้ก็เรียกว่าความการมีปัญญามันก็ทำให้หลุดออกจากทุกข์ได้อันนี้พูดถึงเรื่องของการมาสูสุอย่างที่ว่าไปแล้วว่าคนเราไม่ค่อยตันหนักว่าหรือมองไม่เห็นว่าอาการที่จะ การที่ถ้าไม่ได้ไม่เป็นอย่างที่เคยเป็นนี่มันจะสุดตรงไหนมันก็เมื่อนคนที่หลงนะคนที่อยู่ในความมีความสุขความฟุ้งซ่านพอมีความสุขความฟุ้งซ่านเนี่ยเขาก็นึกไม่ออกว่าเออแล้วถ้าจิตมันมันไม่หลงมันมีความรู้ตัวอยู่เสมอนี่มันจะดียังไง ยิ่งคนที่เป็นศิลปินนะหรือว่าเป็นพวกที่อยู่กับความฝันมากนี้เขาก็นึกไม่ออกเลยว่าถ้าฉันหายฟุ้งร้านฉันหายฝันนี่มันมันจะดีอย่างไรบ้างอันนี้ก็เพราะอะไรเพราะเขาไม่เคยได้สัมผัสนะกับความกับความมีสติความรู้ตัวที่ที่ทั่วพร้อม เพราะว่าไอความคิดมันครอบงมจิตใจอยู่ตลอดเวลาหรือว่าปรุงแต่งอยู่ตลอดเวลามันก็มีความสุขดีหรอกนะแต่ว่าเขาก็ไม่ตอนหนักว่าบางทีมันก็มีโทษในความปรุงแต่งเช่นนึกไปในทางลบในทางร้ายคนเรามันไม่ได้ปรุงแต่งไปในทางบวกในทางที่สวยงามเดียวบางทก็ปรุงแต่งไปทางลบทางร้ายแล้วก็หลงเชื่อมา อย่างมวันก่อนที่พูดถึงไมเคิลแองเจโลเนี่ย mm hmm. เขาก็เป็นคนที่จินตนาการไปได้กว้างไกลแต่ในอีกด้านหนึ่ง mm hmm. เขาก็เป็นคนที่ระแวงมากระแวงว่าคนจะมาลอลผลงานของเขาระแวงว่าคนจะหาทางกลั่นแกล้งเขานะี mm ่ย hmm. ว็เขาเขาคิดเป็นตัวเป็นตา mm hmm. ก็ไม่มีความสุขเหมือนกัน mm hmm. แต่เขาก็คงยังคิดว่าเ อ, อ่อการที่ ฝันเฟืงนี่เป็นความสุขอย่างหนึ่ง แ, แล้วคนเรานี่มันไม่ใช่เพียงแค่คิดในแง่ลบหรือปรุงแต่งไปในทางลบบางทีอย่าอย่าปรุงแต่งไปในทางบวกมันปรุงไม่ออกพวกดาราพวกนักแต่งเพลงนักร้องนี่ตอนยังตอนยังไม่ดังนี่ก็มีเวลาปรุงแต่งได้ไกลได้เยอะแต่งเพลงได้ดีๆพอดังแล้ว อยากจะแต่งเพลงให้มันให้มันดังเหมือนเดิมหรือยิ่งกว่าเดิมมันแต่งไม่ออกเพราะว่าอารมณ์มันมันไม่ไปพออารมณ์ไม่ไปทำงานก็ต้องเล่นยาต้องอัดยาเพื่อให้ได้เกิดอารมณ์บันเกิดพออารมณ์มันเจิดก็ด้แต่งได้อย่างนักร้องก็เหมือนกันนักร้องที่มันต้องกระแสอารมณ์ในการร้อง สมัยย่างสาวๆนี่อารมณ์มันมาเองแต่พอดังแล้วเนี่ยออกงานบ่อยๆมันเครียดอารมณ์มันไม่ค่อยออกแล้วก็ต้องเล่นยานอย่างวินีฮุสตันนี่ก็ในสุดก็ตายเพราะยาะเพราะว่าพอดังมากๆมันติดนะเพราะว่าต้องใช้เครื่องช่วยปรุงอารมณ์ นจิต น, นี่ถึงแม้มันปรุงแต่งก็จริงแต่ว่ามันไม่ใช่ว่าจะปรุงแต่งไปได้ตลอดเวล า, วาถึงปรุงแต่งในทางบวกนะดังนั้นก็ต้องต้ององาศัยตัวช่วยพออใสยตัวช่วยมากมัก็ติดแค่นั้นเองอันนี้ก็เป็นโทษเหมือนกันนะโทษของของความสุขจากการปรุงแต่งความฟุ้งซ่านก็คือว่ามันไม่สามารถจะฟุ้งซ่านได้ตามใจบางทีมันก็ ติดบางทีก็ขัดบางทีก็ปรุงไม่ออกอนนี้ทุกนักเขียนบางคนก็ค่าตัวตายเพราะมันมันปรุงไม่ออกอย่างเฮมิงเวย์นี่ก็แต่ก่อนก็ดังมากจนได้รางวัลโนเบลเขียนหนังสือมันปรุงได้ได้ดังใจแต่ว่าพออายุมากหกสิบมันนึกไม่ออกคิดไม่ออกกลุ่มใจผลงานไม่มีผลงานไม่ดี ในสวก็ไม่รู้อยู่ไปทําไมเพราะเชื่องของฉันนี่มีคุณค่าเพราะเป็นนักเขียนไอคิดว่าค่าของคนอยู่ที่ผลของงานก็ได้งานไม่ออกมาก็เลยรู้สึกไร้ค่าความคิดแบน บ, แบนี้ก็ภาษาแบบนี้ก็บางทีก็ก็มีดีมีเสียมกันนะค่าของคนอยู่ที่ผลของงานมันก็เป็นมีข้อดีตรงที่ว่าเออมันคนเราต้องทํางานนะ หางคนไม่ได้อยู่ที่ชนชั้นวรรณะไม่ได้อยู่ที่โคตระกูลไม่ได้อยู่ที่ว่ามีความร่ํารวยแค่ไหนหรือว่าใส่สินค้าแบรนด์เนมอันนั้นไม่ใช่ใทําให้เกิดคุณค่าที่แท้จริงแต่ถ้าไปคิดว่าคุณค้างคนอยู่ที่ผลของงานนี่บางทีก็มีปัญหานะคืองานออกมาไม่ดีทั้งที่ทําเต็มที่แล้วก็รู้สึกแย่รู้สึกฉันไร้ค่าฉันล้มเหลว อย่างเฮมิงเวย์นี่ก็เขียนหนังสือไม่ออก ก, ก็ไม่รู้ว่าอยู่ไปทำไมเอาปืนยิงตัวตายดีกว่าอันนี้ก็เป็นเพราะว่าคนเหล่านี้เขาไม่ได้เห็นความสำคัญหรือไม่ได้ประสบพบกับอไอความรู้สึกตัวที่อยู่กับปัจจุบันที่ทำให้ชีวิตมันโปร่งโล่ง เพราะเขาคุนแต่การปล่อยใจให้ล่องรอยไปแต่พอจะทาให้ใจมีอยู่กับปัจจุบันมีความสึกตัวก็ยากในขณะความรู้สึกตัวเขาก็ไม่เห็นคุณค่านี่ไม่ต้องพูดถึงวิพา่านยิ่งไม่รู้ว่ามันจะมีประโยชน์ตรงไหนเพราะมันเป็นความสุขคนละประเภทที่เขาอาจจะไม่เคยได้ประสบสัมผัส การที่มีสติมความสุขตัวอยู่เสมอมนก็สามารถจะจะทำให้เกิดความสุขนแต่เป็นความสุขแบบง่ายๆแบบเบาๆมันเหมือนกัความสุขจากการกินน้าําเปล่ากับความสุขจากการกินน้ําอัดลมน้ําหวานนี่มันต่างกันความสุขจากการกินน้ําอัดลมนี่มันให้รสชาติถึงใจเกิดความสุขฉับฉับพลันแต่ว่ากินมากไม่ได้กินมากแล้วเดี๋ยว ฝันผุเดี๋ยวเป็นโลกในส่วนน้ำจืดน้าปกตินี่น้ำฝนนี่มันก็ไม่มีรสชาตินะแต่ว่ากินได้ทั้งวันแล้วก็ร่างกายขาดไม่ได้มันก็ให้ความสุขแบบเรียบเยบสติหรือความรู้สึกตัวนี่หรือว่าไปถึงขั้นนิราภิสุขมันเป็นอย่างนั้นมันต่างจากกรรมผสมที่มันให้รสชาติหวา เคลิมคลอยหรือว่ามีมีสีสันแบบน้ําหวา น, า น, นใช่ไหมแต่บางคนที่จริงๆแล้วนี่เวลามีความมีสติมีความสึกตัวหรือว่ามีสมาธิมันก็ไม่ได้แปลว่าจืดชืดไปเสียทีเดียวนะคนไปมองว่าถ้ามีสติมีความสึกตัวหรือปฏิบัติธรรมแล้วนี่ มันจะหมดอารมณ์นะมันจะหมดอารมณ์จะไม่รู้สึกสนุกต่อไปหรือว่าไม่รู้สึกชีวิตมันจะไม่มีสีสันอันนี้เขาไปมองภาพของคนที่ปฏิบัติธรรมเหมือนกับเป็นคนที่ไร้าอารมณ์เฉยเฉยเฉยเฉยโหเราะไม่เป็นอันนี้เป็นความเข้าใจที่ผิด แต่ส่วนนั้นก็จะเกิดจากคนปฏิบัติธรรมก็พยายามสร้างภาพแบบนั้นมีคนจำนวนไม่น้อยเนี่ยนักปฏิบัติธรรมก็ก็มีความเข้าใจแบบนี้เหมือนกันเพราะนั้นก็เลยบางทีมันก็สร้างภาพหรือบอังคับตัวเองคือกดขม่มกดข่มตัวเองให้ให้นิ่งๆให้ไม่แสดงอารมณ์หัวลอา ก, ก็ไม่ได้ยิ้มก็ไม่ได้ อันนี้ไม่ใช่มันเป็นเองนะมันเกิดจากการกดข่มกดข่มอารมณ์เพราะคิดว่านักปฏิบัติธรรมต้องเป็นอย่างนั้นหรือไม่ก็หนักกว่านนะั้นคือต้องการสร้างภาพแต่ไม่ว่ากดข่มด้วยความอยากจะเป็นนักปฏิบัติธรรมที่ดีหรือว่าต้องการสร้างภาพให้คนเห็นนี่มันก็ล้วนแต่เกิดจากความเข้าใจผิดนะว่าปฏิบัติธรรมเจริญสติมีสมาธิแล้วนี่มันต้อง ต้องไม่ยินดีไร่ไร่าอารมณ์มีมีคนเขาเขียนมาเล่าว่าพ่อเขานี่อายุหกห้าสิบกว่าพอปฏิบัติทำแล้วนี่ยิ่งปฏิบัติก็ยิ่งเฉยเนะไม่แสดงอารมณ์เวลาไปพูดไปคุยก็ คุยได้ไม่นานนะลูกสาวออกเบื่อเบื่อเวลาคุยกับพ่อเนะเพราะว่ามันมันไรอารมณ์นะหรือว่าคงจะไม่อยากจะพูดอะไรมากกลายเป็นเฉยหรือบางคนหนักนะเรียกว่าเป็นอาการมันซอมบี้ไปเลยนะคือแข็งทื่อไนอะ แ, แบบนี้ก็มีนะแข็งทื่อ เพราะว่ากดข่มเพราะว่าเกร็งเวลาเคลื่อนไหวเวลาทำอะไรเนี่ยมันเหมือนซอมบี้คือว่าไปเพ่งไปไปเพ่งไปไปจดจออยู่กับร่างกายส่วนใดส่วนหนึ่งก็เลยทำให้เคลื่อนไหวช้าแล้วก็ไม่เป็นธรรมชาติ อันนี้คนทั่วไปพอเห็นนักปฏิบัติทำแบบนี้ก็โอ้แล้วมันจะดีตรงไหนการปฏิบัติธรรมการเจริญสติการมีความสึกตัวมีสมาธิมันจะดีตรงไหนฉันขอมีความสุขแบบโลกโลกดีกว่ายังมีรถมีชาติยังมีชีวิตชีวาบ้างปฏิบัติธรรมแล้วไม่มีชีวิตชีวานี่มันดีตรงไหนอันนี้ก็เป็นความเข้าใจผิดเนี่ยแล้วก็ซึ่งก็เกิดส่วนหนึ่งก็เกิดจากการที่เขาเห็น จากคนที่ปฏิบัติผิดๆเหมือนกั น, นจริงๆแล้วปฏิบัตินี่ความรู้สึกตัวมันทำให้มีความสุขความโปร่งเบาสบายแล้วก็มันก็มีชีวิตชีวายในตัวเหมือนกันยิ้มได้หัวเราะไดนะ้เวลาฟังคำขันก็ขันได้เหมือนกัน แต่ว่าไม่มีความทุกข์ไม่มีความทุกข์จากไอ้ความยึดติดถือมั่นความปรุงแต่งไปในทางลบทางร้ายหรือว่าความกังวลในสิ่งที่มาไม่ถึงอันนี้มันเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นภาพที่คนไม่ค่อยได้อาจจะไม่ค่อยได้เจอเพราะว่าเราไปสร้าง ภาพของนักปฏิบัติขึ้นมาอย่างเวลาเวลาถ่ายรูปพระนั่งสมาธินี่ก็ต้องทําหน้าทําหน้าเคริมหน้าบึง้งหรือว่าทําหน้าเฉยเฉยก็กลายเป็นแบบกลายเป็นแบบที่ใคยๆก็ต้องทํากันซึ่งนี้จริงมันก็ไม่ได้แปลว่าย้องเป็นอย่างนั้น พระบางท่านนี่ท่านก็ผงผางนะแล้วก็พูดสนุกนะอย่างหลวงลงปูเ่เจ๊ะนี่หรืออาจารย์ทองรัตนะ์ลูกศิษย์หลวงงปู่มั่นนะเรียกว่าไม่ได้เรียกแบบแนวไม่อยู่ในในขนบของพระนักปฏิบัติสายวัดป่าที่ต้องเคร่งต้องขรึมนะท่านเรียกว่าไอ้อาผงผางนะ ไม่เหมือนใครเวลาเดินทางนี่ไม่ขึ้นรถธรรมดานะปู่เจ้านี่บกรถสิบลอ้อรถไม่จอดนี่บางบางทีโบกมือไม่จอดนี่เอาตีนยกขาขึ้นเลยเพื่อเรียกให้รถมันจอดแต่แล้วขึ้นนี่ท่านที่จะนั่งในรถกับกดขับป่าขึ้นไปนั่งข้างบนนั่งบนหลังคามีคราวหนึ่งท่านนั่งจากวัดมากรุงเทพ โยงก็มันลอยอยู่ที่รู้สึกอยู่ที่ท่ารถมั้งพอได้เวลาก็เห็นท่านมาแต่ไกลนะอยู่บนหลังคารถจิกรตอนนั้นกลางคืนด้วยมาถึงก็บบกโอ้ยหนาว่ะหนาวเหลือเกินไม่หนาวได้ไงนั่งอยู่บนนั้นหลายชั่วโมงกลางดึกลมก็เตีเ้ยวคือว่ามันมี ผู้ที่เข้าถึงธรรมน้นก็มีรูปแบบหลายแบบแต่ว่าเดี๋ยวนี้เราพยา ย, ย, า, ยามสร้างภาพว่มันต้องมีแบบเดียวคือว่าต้องเพร่งต้องกลื่แล้วแสดงเหมือนกับว่าไม่มีอารมณ์ไม่ยินดีร้ายกลับอะไรทั้งอยางกลับอะไรทั้งทั้งสิ้นบางทีก็คาราวาก็เป็นแบบนี้กันมากขึ้นเพราะว่าไปเห็นภาพแบบนั้น จากพระหรือจากนับปฏิบัติธรรมหรือแม้ก็ต้อ่งพยายามที่จะยกมือสร้างจังหวะหรือว่าพยายามสร้างภาพของการปฏิบัติอยูตลอดเวลาต้องให้การอยู่นิ่งๆมันก็เป็นการปฏิบัติได้บางคนไม่เขาใจว่ต้องยกมือสร้างจังหวะตลอดเวลาที่เป็นการปฏิบัตินะอันนี้ก็เพราะไม่ไ ม, ไม่ไม่เข้าใจเรื่อง การเจริญสติปัฏฐานว่ามันว่ามีสติรู้ไม่ใช่แค่กายเดียวเวทนาจิตธรรมด้วยหรือไม้แต่รู้ลมหายใจรู้กระพริบตาเกลือน้ำลายบางคนก็จะไม่ได้ยกมือสร้างจังหวะแต่เขารู้ถึงวิริยบทย่อย การหายใจคือ น, น้ำลายการกัะพริบตาก็ได้แต่พอไปติดผ้ามันต้องยกมือสร้างจังหวะก็เลยมองคนอยู่นิ่งๆว่าไม่ปฏิบัติอันนี้มันก็เป็นความเข้าใจผิดอีกแบบหนึ่งให้มันส่วนใหญ่ก็จะไปมองอปที่รูปแบบไม่ได้ไปมองไปที่ของภาวะภายใน คนที่ขลุมคนที่นิ่งแต่ว่าจิตใจอาจจะอาจจะหนักอาจจะอึ้งก็ได้คนที่เขายิ้มแย้มแจ่มาสเขาพูดคุยตลกโหฮาแต่ว่าบางทีจิตใจเขาก็นิ่งเขาก็ไม่ได้ไม่ได้ฟุ้งซ่านหรือเพลิดเพลินไปกับอารมณ์ต่างๆคนเราส่วนใหญ่มองไม่เห็นข้างในก็มองือที่ข้างนอก คือบางทีก็ทาให้เกิดความเข้าใจผิดได้เกิดเป็นมว่าการปฏิบัติธรรมนี่มันทำให้ไม่มีชีวิตชีวาทําให้ไม่ไม่มีความยดีร้ยายก็ทําให้ผู้คนไม่ค่อยไม่เข้าใจธรรมะอย่างคนที่เขียนมาถามนี่ก็เขาก็ไม่เข้าใจทําไมปฏิบัติธรรมแล้วพอเป็นอย่างนั้นนก็ทําให้ไม่มีจิตไม่มีแรงจูงใจที่จะปฏิบัติ จากนี้ถ้าเกิดว่าเข้าใจหรือได้สัมผัสด้วยตัวเองนี่มันกว็คือความสุขที่เกิดจากการที่ความมีความสุขที่ประเสริฐไปกว่าการบริโภคกามหรือการเสพกามหรือการมัสุขมีความสุขที่มันมากไปกว่าความปล่อยใจฟุ้งซ่านหรือว่าเฮฮ า, อ, าอย่างอย่างโลกโลกมันมีความสุขที่ประเสริฐกว่านั้น ซึ่งก็ทำให้คนเกิดแรงจูงใจในการที่จะปฏิบัติเพื่อให้ได้ประสบกับความกับภาวะเช่นนั้นเพราวะวที่เกิดจากความรู้สึกตัวมีสติหรือว่ามีปัญญาได้เห็นว่าไอ้สังขารทั้งปวงมันเป็นทุกข์อย่างไรที่ยึดมันถือมันอย่างไรไม่ได้ ก็จะเข้าใจว่ามันมีสู่ที่ประเสริฐกว่าความเนสูตรจริงๆชาวนี้ก็พูดกับทานนี้อ่ารับภาพ